50 languages. 55. 50. At the c i n e m Cinema. m e i n h m cinema. a n a c h a h t e h a i n आज अच्छी फ ि ल ्ิ च ์ฟ ह ी ह มกำลังหนังเรื่องนี้เข้าใหม่บิลกูลนิ่ยฟิล์มช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะคานเตอร์ क ยู่ทียังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะที่ั่งว่านั่่าะตูราคาเท่าไหร่คะ ติดเท่าไหหนังเริ่มกี่โมงคะฟิล์มคบชิรูฮุกีหนังฉายกี่ชั่วโมงคะฟิล์มคิดหนเดี๋ยเชกจองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะแค่ตั๋วเพลย์เลสเลียจะสามารดดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง मैं पीछे बैठना चाहता हूँ। दी चंद तंग कर नंग काँग नां। मैं आगे बैठना चाहता हूँ। दी चंद तंग कर नंग ट्रोंग काँग। मैं दरमियान में बैठना चाहता हूँ। नंग नां तूर्तेन। फिल्म मजे की थी। नंग नां ब्यूर। फिल्म बोर नहीं थी। แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะลีกินคัทบัฟฟิล์มส์ที่เบ่ดนตรีเป็นอย่างไรหมอเซกิเกสิทนักแสดงเป็นอย่างไรอาดาคาร์เก้ยมีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหมแค่อังกฤ